ตอนที่8นิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จ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 มีภัยล้มขวางทางไม่มีที่ไปทำฉันใดยืนควางเก๊กเก๊กังกัง <ๆ S 2> เพราะทางตันแน่นอนเวียนสาะเลาะลด่อมด้อมมองมองพอเห็นช่องไปมีนิดเดียวพอได้ช่องก่างพอคือคลานจอ ทอดจีวรวางบาทนั้นปลดพลางวางกลดไว้ก่อนตัวเองนั้นเอนราบนอนคือพลานพนจรชาชาดึงบาทจีวรและกลดไปตามขั้นตอนรวบรวมดึงแล้วติดมาชื่นชมสมใจในหรือไทยหรือ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 ยงไยงงพอบนท้อไม่ขาดคาก็มีเรือมาหนึ่งลำรีบพานําไปไม่ไต่ไม่ทาง ถ, ถึงเกาะงามเร็วดังใจปีนขึ้นไปไม้ดูให้ทวนทีเห็นพระอาจารย์มันท่านนั่งตาบัน อยู่พอดีท่านเลยเอ่ยทักสนทนาพาทีถามไทยดิบดีว่ามาถึงนี้ได้ยังไง ท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านมหามาได้ยังไงกันผมนั่งเรือมาผมมาด้วยเรือครับโอ้โหทางนี้มันแสนยากลําบากนะใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกเอา้าดีแล้วทางนั้นตํามากให้หน่อยแล้วท่านก็ยื่นตะบันมากให้หลวงตาก็ตํำจกจกจกได้สองสามจกเลยรู้สึกตัวตื่น